ขอความสุขความเจริญทุงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะได้พูดเรื่องสุภาสิทธสูตรสืบต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนวันก่อนอยู่ในช่วงของพระพุทธตรรมรัสที่พระพุ้มีรพระเจ้าทรงแสดงวาจาสี่ประเภท ว่าเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุกภาษิตเป็นวาจาที่บนันทิดยกย่องสรรเสริญแล้วก็เป็นวาจาที่เป็นความจริงาจากนั้นก็ส่งจำแนกสแสดงวาจาออกไปเมื่อคราวโดยเนื้อหาสาระก็คือเรื่องของ พุทธิสุจริตทั้งสี่ประการปอดีพระวังคีศะท่านก็นั่งอยู่ในที่นั้นด้วยก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ จากนั้นท่านก็ได้กล่าวสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าต่อพระพักรพระพุทธเจ้าวความว่าบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาที่ไม่เป็นเหตุอย่างตนให้เดือดร้อนอันนี้เป็นบทกล่าวโดยสรุปนะครับคือหมายความว่าเริ่มต้นชั้นศีลจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม คนจะต้องมีการงดเว้นการประพฤติการกระทําตามปกติแล้วก็ออกจากการทําการพูดที่ไม่ได้นําความเรือดร้อนมาสู่ตนเองเป็นเบื้องต้นนะแต่ต่อไปก็ไม่นําความเรือดร้อนมาสู่บุคคลอื่นแล้วก็ควรจะดีกว่านั้นก็คือไม่นําความเรือดร้อนมาสู่ทั้งตนเองและบุคคลอื่น แสดงเห็นว่าระวังกิสะท่านเก่งท่านสรุปประเด็นไปเลยหมายความว่าจีสุจริตจะเป็นอย่างไรก็ตามนะฮะจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามโดยผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากการพูดการได้ยินวาจาที่สุจริตคนได้ยินเองก็ไม่เดือดร้อนคนพูดเองก็ไม่เดือดร้อน หมายความว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายแต่ว่าถือเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่ำเอาไว้ก็อย่างน้อยที่สุดก็อย่าให้ตนเองเดือดร้อนเวลาการตรงนี้เคยเจอมาหลายครั้งแล้วที่ว่าเราจําแนกบุคคลโดยพฤติกรรมเกี่ยวเกี่ยวที่เกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรม ก็แยกออกมาได้เป็นเก้าประเภทประเภทหนึ่งก็คือเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนซึ่งเป็นพฤติกรรมนอกธรรมนอกวิ น, นัยนอกคำสอนในทางพระพุทธศาสนาข้อต่อไปก็ งดเว้นจากการเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนงดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนงดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนอันนี้เป็นมาตรฐานทางศีลธรรมก็เริ่มต้นจากศีลนั่นแหละแต่ว่าไปเชื่อมโยงเข้ากับธรรมะเป็นบันไดที่จะไต่ข้าหาธรรมะ ยางทเก ย, ยกตัวอย่างสีลข้อที่หนึ่งในสามข้อแรกก็คืออยู่ในช่วงตรงนี้หนึ่งคืองดเว้นจากปนานาติบาสสองไม่พกพาสัตวตราวุธเครื่องประหารสามมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายก็หมายความว่าถ้าทำได้อย่างนี้ ก็เป็นการงดเว้นจากการสร้างความเดือดร้อในให้แก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นก็ในช่วงต่อไปก็เป็นธรรมะเป็นการทำประโยชน์แก่ตนเองและทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นข้อหนึ่งประกอบด้วยฮริมีความละอายต่อบาปมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปมีจิตเมตตาเอ็นดูต่อบุคคลทั้งหลาย ที่จิตคิดอนุคเคราะห์เราคนทั้งหลายในชั้นของความคิดแน่นอนมันก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อจิตตัวเองแต่เมื่อทาไปตามที่คิดพูดไปตามที่คิดมันก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลเราเอและลักษณะของก็เรียกว่าศีลธรรมก็ได้กันมันจะมีอยู่สองช่วงอย่างนี้ แต่ว่าช่วงที่ถือว่าดีมากๆก็คือเกิดมาชาติหนึ่งนั้นก็ควรทําประโยชน์แก่ตนเองทําประโยชน์แก่บุคคลอื่นและทําประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นและให้ประโยชน์ต่วนั้นกระจายตัวเองออกไปมีความกว้างใหญ่ไพศาลออกไปโดยลำดับถึงจะทําได้มากเท่าไรท่านเหล่านั้นก็กลายเป็นคนที้ อมาตะคือตัวตายแต่ว่าชื่อเสียงเกติคุณความดียังไม่ตายข้อต่อไปท่านกล่าวว่าและไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่นวาจานั่นแหละเป็นสุภาษิตวาจานในลักษณะนี้ก็ก็อยู่ในช่วงศีลท่กล่าวเป็นการงดเว้น ไม่พูดในลักษณะจี่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนแต่ท่านก็บอกคือยืนยันตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ว่าวิธีการแสดงแสดงคนละแนวท่า น, นั้นเองหรือพระวังกีรสะท่านมองไปที่ผลพระพุทธเจ้าทรงแสดงที่เหตุก็คือทรงแสดงว่าจีสุดจริต แต่ว่าท่านวังกีสะก็ได้กล่าวถึงผล ท, ที่เกิดขึ้นจากการพูดวจีสุจริตเอาเหตุมาพูดก่อนเรือ่องผลมาพูดก่อนมันก็ไม่แปลกอะไรเพียงแต่ว่าในฐานะที่ท่านเป็นพระบวทใหม่ได้ความประพฤติธํารัดสั้นๆแล้วก็มีความเข้าใจจนสามารถขับเป็นฉันได้นะฮะที่คํากล่าวของท่านนั้นเป็นฉันทลักษณ์ คือเป็นคาถาแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนั่นเองท่านก็บอกว่าวาจานั่นแหละเป็นสุภาษิตสุภาษิตก็คือคำกล่าวที่ดีคำกล่าวที่งามคำกล่าวที่ง่ายสมับคนดีทั้งหลาย แล้วท่านกล่กาวว่าบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักที่ชนทั้งหลายชื่นชมไม่ถือเอาคาที่ชั่วช้าทั้งหลายแต่กล่าวแต่คําอันเป็นที่รักแก่ชนเหล่าอื่นนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคือขยาย ขยายความออกมาว่าโดยปกติแล้วคนเนี่ยมันก็ควรจะพูดวาจาอันเป็นที่รักหมายความว่าวาจาที่เปล่งออกมามันฟังแล้วมันทำให้รู้สึกพอใจในคนที่พูดแล้วตัวถ้อยคำเองมันก็ฟังแล้วประทับใจไปร้ออ่อนหวานคือบางครั้งบางคราวพวกคำปลนคำอะไรต่างๆที่เป็นสุภาษิต แม้แต่ข้อความสั้นๆแต่ฟังแล้วมันมีความประทับใจยวามก่อนได้ยินข้ออกรายการวิทยุพูดถึงท่านมหายมรัตจิตโชต์เกิดเป็นพระผู้ใหญ่มโนภาพไปนานแล้วเต่ทัานเข้าใจคิด ว่ามีรายรับมีรายใช้มีรายรจ่ายแล้วก็มีรายเหลือโดยรายรับนั้นอย่างน้อยต้องคงที่รายจ่ายนั้นต้องรู้จักมัธยัตย์ตรอมรายใช้คือหมายความว่าของที่เราซื้อมาแล้ว เช่นเสื้อผ้าพอาภรณ์อะไรต่างๆข้อพยายามธนุถนอมในการใช้ได้รายเหลือนี่ต้องเพิ่มขึ้นก็ฟังแล้วก็สะดุดใจแล้วก็จำได้คือท่านรูปนี้เป็นคนที่เข้าใจคิดแต่มาก็ได้ฟังของท่านมาสองสองคำสั้นๆนะฮะที่จริงแต่ว่า ถือว่าท่านคิดได้เก่งก้อหนึ่งก็คือเป็นภาพลิงสามตัวที่ปิดปากปิดตาปิดหูแล้วท่านก็เขียนเป็นคำกลอนไว้ว่าปากเป็นปูหูตะกร้าตาตะแกรงปากไม่แพ่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นไปหลักธรรมนำให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางคราว คำพูดกรมกอย่างนี้เราฟังทีเดียวก็จำได้แต่แสดงว่าท่านผู้พูดเนี่ยเข้าใจสารัะถะของเรื่องหมายความการครองชีวิตถ้าอย่างน้อยรายได้คงที่รายจ่ายมีการระมัดระวังมีการมัดยัดอดออมรายใช้ ก็มีการระมัดระวังไม่ทำให้สิ้นเปลืองไปโดยใา่เหตุและเหลือนั้นก็เพิ่มขึ้นก็หมายความว่าเศรษฐกิจก็ไปรอดเป็นคำพูดสั้นๆแต่ว่าในภาคสนามแล้วเนี่ยขยายตัวเองเออกไปได้เป็นการพูดถึงคนจนท่านก็บอกว่าแบ่งออกเป็นสองประเภทคือคนยากจนกับคนอยากจน ยากจนนั้นคือจนจริงๆอยากจนนั้นก็คือไม่อิ่มไม่พอไม่เต็มเมื่อท่านปู่เป็นคำสั้นๆอย่างนี้แล้วเราจะอธิบายอะไรได้อีกเยอะเลยหมายความมาเอาตั้งเป็นหัวข้อขึอข้นมานสามารถเรียงเป็นเอกสารเป็นเล่มๆได้หมายความว่าตัววาจาเนี่ยเป็นที่รักคือน่ารัก สำรวนอย่างหนึ่งทันทีของมันกัดหูคือพูดปั๊บเนี่ยมันฟังแล้วก็ติดหูอย่างว่าเองเนี่ยไม่เคยเห็นหนังสือคาสวนสี่าทแต่เราจำได้สมัยเรียนภาษาไทยสมัยโน้นสมัยหมหนึ่งนั่นเ้ก็เลยแล้วแต่วก็จำเท่าที่ครูสอนมาทุกบทที่ครูยกมาเราจำได้หมด แต่ว่าตัวหนังสือเองเราก็ยังไม่เคยเห็นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคําโครงที่ไพเราะมากดังนั้นก็คําเหล่านี้มันเกิดจากจิตที่มีความเมตตาเอ็นดูต่อบุคคลอื่นวาจาเรามันก็เช่นกับจิตใจของเราหมายความถ้าจิตใจอ่อนโยนเนี่ยวาจาก็จะอ่อนหวานถ้าจิตใจแข็งกระด้างเนี่ย วาจาก็จะแข็งกระด้างตามไปอย่างที่โบราณตั้งกล่าวว่าสันยิงส่อภาษากริยาส่อสอสกุลกายสมบูรณ์ส่ออาหารคารมนับถือท่านนี่ยแสดงถึงความอดอ น, น้อมภายในมันเป็นการสะท้อนกลับไปกลับมา เรียกว่าเป็นปัจจัยของการหลายกันคือมองจากจุดนี้ก็ได้มองจากอีกจุดหนึ่งก็ได้แล้วท่านก็บอกว่าไม่ถือเอาคําที่ชั่วทั้งหลายหมายความว่าคําที่ชั่วในการพูดเนี่ยเราไม่พูดในขณะเดียวกันเมื่อคนอื่นพูดมาเนี่ยเราก็ไม่ไปเก็บบอกไว้ก็ปล่อยให้เป็นเป็นลมเป็นแรงไปตามธรรมชาติเข้ามาน ปัญหาบางเรื่องที่ท่านพูดว่าพูดไปสองไปเบี่ยงนิ่งเสียจำนวนทองตอนนี้มีกระแสเสียงของคนบางพวกก็คัดค้านไปในทํานองว่าไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆมันเป็นความจริงที่เราปฏเิเสธไม่ได้เราการพูดอะไรก็ตามที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่รู้จะพูดไปทําอะไร มันไม่ได้ไประโยชน์เราพูดทําไมนี่ก็เป็นความจริงใครจะไปอธิบายยังไงไปตีความยังไงก็ตีความไปแต่ว่าความจริงมันก็คือเป็นอย่างนั้นแล้วท่านบอกว่ากล่าวแต่คํามันเป็นทิรักแก่ชนเหล่าอื่นหมายความว่าคําของเราเนี่ยเป็นทิรักแก่ชนเหล่าอื่นคนอื่นเขาเขาก็ได้ยินแล้วก็พอใจชอบใจที่จะได้ยินได้ฟัง พ้นคำกล่าวในลักษณะนี้มันก่อนได้อ่านเอกสารเขาคัดลอกหนังสือราชการมีการโต้เถียงบ้างมีการปารตกถาบ้างมีการอภิปรายบ้างเขายกมาให้ดูเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในทางประวัติศาสตร์ก็นึกว่าท่านผู้หนึ่งมีชื่อเสียงโดดดัง แต่ว่าคำพูดของท่านแปลคือมันค่อนข้างเยินเยอะเยืนเยอะแล้วก็จับประเด็นยากอีกคนหนึ่งพูดได้กระชับรัดกุมแต่คนอีกคนหนึ่งเนี่ยมันพูดแล้วมันก็เรียกเหยียบท่าตัวเองหมายความว่าประโยคม่เอกสารเนี่ยมันหักล้างกันเิ ก็ประโยคหลังเน่ไปหักหล้างประโยคนของตนก็ทต่าไม่เห็นว่าลักษณะพื้นเพจริตรัตยาศัยของท่านมันก็อ่านจากจากหนังสือตรงนั้นได้อย่างน้อยก็จับจับหลักกว้างๆได้บางคนที่กล่าวว่าจ่าชั่วเนี่ยแสดงถึงจิตใจที่มีลักษณะแข็งกร้าว มากด้วยความโกรธความหมงุดหงิดความรำคาญความถือตัวความกระด้างก็แล้วแต่และก็สรุปว่าใจไม่เคยปกติแล้วพอพูดไปก็ตนเองก็ถูกเกลียดคนอื่นเขาก็เกลียดแต่นั้นท่านจิงวางหลักเอาไว้ว่าไม่ถือเอาคำที่ชั่วช้าทั้งหลาย ราวแต่วาจาเป็นพิรักแก่ชนเราอื่นคําสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตายอันนี้เป็นคําโบราณนะเป็นคําโบราณแต่ว่าในยุคหลังเนี่ยเราก็เอามาเฉพาะตรงนี้ก็มีเหมือนกันจะในหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตเล่มที่หนึ่งคือเรียนแล้วทำดนตรีท่านก็เอากระทู้บาดเดียวมา เอาสุภาษิตบาดเดียวมาก็ทำไม่ได้ข้อความที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าที่พูะเจ้ารับสั่งจริงๆสัจจังเวมาตาวาจาคำสัจแลเป็นคำไม่ตายเอสัทมโมสนันตโนนี่เป็นของโบราณนี่เป็นของเก่าสเจเทจะธรรมเมจะ อาหุสันโตปฏิทิตาสัตบุรุษตั้งมั่นในคําสัตว์ที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมตกลงว่าการจะกล่าวถ้อยคําเนี่ยคําสัต์น้นแน่นอนแต่ว่าคําสัตว์บางอย่างเนี่ยคนพูดไม่ตายหรอกแต่คําไม่ตายนะคำเนี่ยไม่ตายหรอกแต่คนพูดนี่ตายได้ ก็าดังนั้นจริงต้องเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังว่าการพูดคำสัตว์ไม่ใช่ว่าพูดได้ไปในทุกกรณีแต่เนี่ยมันก็สอดคล้องกับหลักภาษิตไทยโบราณที่บอกว่าพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตำหนึ่งทองคำโปรยปลายประโยชน์ร้ายสาระต่างๆคำหยาบคายร้ายกาศต่างๆคำยุแยงแตะแคงรั่วทั้งหลาย คือมันไม่ได้สร้างสารรค์ไม่ได้พัฒนาไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะไรแต่ประการใดยึ่งไปออกทางสื่อโทรทัศน์ทางวิทยุทางสิ่งพิมพ์แล้วยิ่งน่าเกลียดมันเป็นมากวัดสภาพจิตใจของคนที่พูดที่เขียนแต่ข้อความเหล่านั้นออกมาเพราะอะไรเพราะว่าอย่างสัตว์ดีรจานาเนี่ย แน่แตย่ยกตัวอย่างมันเสียงสุนัขมันเห่านะเราจะเห็นว่าเป็นการเห่าบางอย่างมันก็เห่าโดยธรรมชาติไม่แสดงอาการเกรี้ยกราดรุนแรงอะไรไม่ถึงกับคำรามที่จะกัดที่จะต่อสู้อะไรบางอย่างมันก็เห่าด้วยความข้องใจสงสัยอะไรที่เราสังเกตได้ว่า จิตใจของสุนัขมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเสียงเหา่าเสียงเห่าบางอย่างไนี่ต้องระมัดระวังมากเสียงเห่าบางอย่างก็ไม่ต้องระมัดระวังเหมือนก่อนนี้ฟังข่าวทางวิทยุว่าท่านดาลัยธรมะท่านติงเรื่องการเลี้ยงเสือที่สำนักสงฆ์หรือวัดอะไรแถวจังหวัดกาญจน บ, บุรี เราคนึกดูดเออถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยเมตตาจริงๆเนี่ยปัญหาสำคัญว่าสัตว์ป่านะฮะสัตว์ป่าเนี่ยถ้าเราเมตตาเขาเราต้องให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาเคยพบคำกรอนบทหนึ่งนานมาแล้วนะฮะจะบอกว่าเป็นอิสรภาพของนุ แล้วท่านเขียนบรรยายไว้ข้างล่างว่าฉันจักไม่ยินยอมให้เขาล้อมเข้ากรงขังถึงกรงสุวรรณนางก็บอปราถนาเลยฉันชอบเป็นนักหนาอยู่ป่าตามเสเบยพรอดเพลงเมื่อลมเสยแล้วจะบินตระเวงไพรนั้นเป็นนิสระาพของสัตว์ของนกสัตว์ทั้งหลายเขาก็เป็นอย่างนั้น ก็จะต้องปล่อยเขาอยู่โดยอิสระในป่าแต่สัตว์ดุร้ายเราก็ระมัดระวังตัวเองประสัตมันไม่ได้ดุร้ยายโดยธรรมชาติหรอกแต่มันกลัวภัยกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นจากมนุษย์แล้วมนุษย์มันก็สร้างอันตรายแก่สัตว์มากเหลือเกินแม้แต่เสือแม้แต่สิงโตนะฮะแม้แต่สัตว์ดุร้ายเนี่ยมนุษย์ก็ฆ่าแต่จะหมด สิ้นเผาพันธุ์ไปแล้วบานก็ชอบแก่เหตุเหมือนกันทิศาสตร์มีความรู้สึกต่อมนุษย์อย่างนั้นเพราะว่าในวงวานว่านคือของเขามันรู้ภัยอันตรายจากสัตว์โลกชนิดนี้อยู่มากนันเรื่องวาจาเนี่ยมันเป็นการแสดงออกแสดงออกถึงจิตใจเค ร, ราะห์หันยัดศาสนิศีวาจา วาจาเป็นเช่นเดียวกันน้ำใจหมายความมาน้ำใจก็เป็นเช่นเดียวกับวาจาพูดอย่างไงใจก็อย่างนั้นทำอย่างไงใจก็อย่างนั้นคิดอย่างไงใจก็อย่างนั้นแล้วท่านบอกว่าเป็นวาจาไม่ตายทา น, นี้เป็นของมีมาแต่เก่าก่อนนี่ท่านยกมาเลยนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปลุกเอง เอสาธรรมโหสนันตโนเราจะพบบ่อยคือเป็นหลักคำสอนที่เราต้องยอมรับความจริงว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนรุ่นใหม่สมับเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วแต่โลกมันมีอายุยืนนานมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้หรอกเพราะสิ่งดีงามต่างๆที่คนรุ่นก่อนท่านค้นพบเนี่ยที่สมบูรณ์ก็มีในาศาสนาพระพุทธเจ้าในอดีต แต่จาความเสื่อมความตกต่ําทางจิตวิญญาณของสัตว์โลกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งคําสอนดีงามเหล่านั้นก็หายไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคําสอนระดับสูงสูงแต่คําสอนระดับสิ่ธรรมจัรญาเขาก็ยังอยู่นะฮะันประเภทนี้ก็เรียกว่าสนันปณธรรมคือของเก่าวโบราณท่านสอนกันมาเป็นความดีงามที่ควรแก่การอนุนโมทนายกย่อง พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนายกช่องแต่ว่าตรงนี้ปฏิรูปเพราะว่ามันไม่มีความสมบูรณ์ในตัวของมันอย่างที่ว่าแต่ที่ยกช่องเลยเช่นว่าความเวรย่อบไม่ระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรแต่จะระ ง, งับไปด้วยการไม่จองเวร เอสาธมโม ส, สนั น, นโนเหมือนกันนี้เป็นของเก่าเป็นกันมาตั้งแต่โบราณนะนะเปงกันมาอย่างนี้แหละมันไม่มีทางที่จะรับเบรา ง, งับเวนโดยการจองเวนได้หรอกจะระ ง, งับได้ก็โดยการไม่จองเวนกันแล้วท่านก็กล่าวว่าสัตว์บูทั้งหลายเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในคำสัตว์ที่เป็นอัดและเป็นธรรม นี่หมายความว่าเอาพระพุทธภาษิต ท, ทั้งหมดมาตรงนี้พระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นข้อความที่พระเจ้าส่งเพิ่มขึ้นจากของเก่าที่กล่าวไว้ในตอนตอน้นก็ทรงปฏิรูปก็แน่นอนเลยคือถ้าเราศึกษาเรื่อ ง, งต่างๆสมมติเราอ่านพระไตรปิฎกซึ่งเป็นตัวหลักได้โดยละเอียดนะจำมากจำได้มากกวสมควร เมื่อเราไปอ่านรุษนะอัตตากถาดีการนุติการเราจะเจอข้อความนี้จริงท่านโค้มาท่านโค้มาจากพระไตรปิดกปรญยาก็เป็นสุภาษิตสั้นๆแต่ตอนนี้บางทีนี่เราไม่ได้สืบสาวไปถึงที่มาก็ทาให้เรานึกว่าท่านผู้นี้เป็นผู้เรียบเรียงเอง เนสติสััทปัญยาสติจำปราถนาในที่ทางปวงมันมีอยู่ในไปะไิร ด, ดิฎกแต่ไปะไตรปิดกมันเยอะแยะเละเกินหมายความมาถ้าไม่สะดุดตาจริงๆเราก็จับไม่ได้ครับแต่ว่าท่านที่เอามาเนี่ยท่านก็คัดลอกมาแต่คนรุ่นหลังก็เห็นว่าท่านคัดลอก คนรุ่นนั้นเห็นว่าท่านคัดลอกถ้าคนรุ่นต่อมาไม่รู้เนี่ยก็ไปลงชื่อเป็นของท่านเจ้าหน้าเป็นสส อ, อย่างนี้แปลว่าสังกราชษาที่จริงท่านไม่ได้เจตนาจะไปเอาไปของท่านหรอกแต่ว่าคนรุ่นหลังนี่ไปเข้าใจอย่างนี้ยกก็ว่าเป็นอันมากจยางเวลาไรเนี่ย มีการอ้างเป็นพุทธภาษิตนี่เยอะมากก็ยังนึกเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปพูดอะไรว่าทำยังไงเราจะช่วยกันต้องแน่ใจว่าเป็นพุทธภาษิตถ้าไม่แน่ใจเราเรียกว่าพุทธศาสนาสุภาษิตเป็นสุภาษิตในพระพุทธศาสนา เนื้อหาสาระเหมือนกันแต่น้ำหนักเนี่ยก็ที่จริงไม่ก็แปลกหรอกเพตามปกติเราเรียกพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็ต่อไปท่านบอกว่าสัจพูดทั้งหลายเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในคำสัจคำสั์ก็คือคำที่พูดตามประสาสัมผัสของเราถามคาสั์คืออะไร คำสัตว์คือคําจริงจริงอย่างไรจริงตามที่เราได้เห็นมาจริงตามที่เราได้ยินมาจริงตามที่เราได้ทราบด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายหมายความมันทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบรสด้วยลิ้นทราบเย็นร้อนอน่องแข็งด้วยกายแล้วก็รู้มาด้วยใจถูกต้องสมบูรณ์ร้อเปอร์เซไหมเท่าที่เราเห็นนะถ้าที่เราสัมผัสเราก็สัมผัสเท่านั้นะ เราเราก็ไม่สามารถที่จะพูดเกินจากที่เราสัมผัสไปได้เช่นสมมติเราเห็นคนเดินมาห้าคนเนี่ยเราบอกเป็นหกคนไม่ได้เราบอกเป็นสี่คนไม่ได้ทั้ทงๆ ท, ที่คนอาจจะเดินมาหกคนแต่พอดีคนหนึ่งเนี่ยมันเตี้ยเพื่อนมันบางไว้เราไม่เห็นเราก็พูดแค่ห้าคนเท่าที่เราเห็นดัการพูดบางทีเนี่ยมันต้องกระชับเวลากาละ สถานชี้เนี่ยต้องกระชับ ด, ด้วยกันเวลากาละกาละเทศะก็เกาลเทศะเช่นรายงานของกรมบุตริมยมวติญาเนี่ยคือเก่งเพียงชมว่เออวิธีหรือกรมอุทกศาสตร์ที่รายงานเวลานาฬิกาน้ําขึ้นน้าลงอะไรเนี่ยคือบอกเวลาแล้บอกสถานชี้ แต่ว่าสมมติเวลามันเปลี่ยนไปสัก4ีห้านาทีเนี่ยน้ำมันอาจจะลดไดก็ได้หรือน้ำอาจจะสูงกว่าเดิมก็ได้หรืออุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นลดขึ้นลดลงก็ได้ก็ไม่รู้อ่ะเพราะนั้นเราก็รับผิดชอบเป็นเวลาตามที่บอกในขณะนั้นๆั้นะนคนเราจะต้องดำรงคำสั่งให้เราสังเกตว่าสังคมเราเมื่อก่อนแถวสมัยรายการที่หก จะเน้นเรื่องคำศัตย์ไวมากแล้วก็นวนิยายต่างๆจะพูดเรื่องคนที่ดำรงความสัตย์ขณดเสียชีพอย่าเสียสัตย์เสียสมบัติอย่าให้เสียวัดถยาเสียศีลสงวนสักไว้วงหงเสียสักสู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตย์ไวหนา เสียสัตว์ไปเสียสู้ชีพม้อยมรณะบุคคลพึงสลาบซั์เพื่อรักษาวัยวะสสะอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่ออนุสอนถึงธรรมะให้สาะทั้งรัพย์ทั้งวัยญาแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาธรรมะเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของสัจจะสัจจะจึงมีทั้งสัจจะวาจาสัจจะปฏิญาณ สัจจะปติญญาสัตยาทิฏฐานซึ่งแต่ละอย่างนั้นจะต้องรักษาจนกลายเป็นคนซื่อสัตย์แล้วกํชาชับลงไปว่าซื่อสัตย์สุจริตมันยืนยันได้ถ้าซื่อสัตย์สุจริตมนันเหมือนคำว่าโปร่งใสที่เรานรยมออกมาพูดกันมากเนี่ยไม่รู้มหมายความางไงโปร่งใสนี่หมายความยังไง เดี๋ยวถ้าซื้อสัจจวัตริศแต่มันชัดยันสัญญาธรรมศักต ร, ร์พูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมบริสุทธิ์แล้วก็ยุติธรรมยุติธรรมก็คือบริสุทธิบริสุทธิ์ก็คือยุติธรรมอันนี้มันก็ยันกันได้ในขณะเดียวกันคําสั่งนั้นต้องเป็นอัตถะคือประโยชน์ตรงนี้แปลว่าประโยชน์นะ หมายความประโยชน์เกิดขึ้นแก่ผู้พูดในฐานะที่พูดประจี่สุดรประโยชน์เกิดขึ้นแก่ผู้ฟังในฐานะที่เขาได้รับฟังเรื่องที่เป็นคำสัตว์แล้วก็มีประโยชน์ในขณะเดียวกันก็บอกเป็นธรรมเป็นธรรมก็คือยุติดด้ดยธรรมเป็นธรรมเที่ยงธรรมไม่ปราศจากธรรมมีที่ไปมีที่มามีหลักฐานอ้างองิง มีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่เป็นเครื่องยืนยันถึงความถูกต้องของสิ่งเหล่า น, นั้นและท่านกล่าวต่อไปว่าพระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใดาซึ่งเป็นวาจากเสษมคำว่ากเกษมเป็นคำสูงมากนะคือหมายถึงนิพพานท่านที่ อ่านหรืฟังจเจริญพระพุทธมนต์บทมงคลสูตรนะอโศกังวิรชังเขมังตรงเนี้ยเขมังเนี่ยคือกัจเสมหมายความว่าใจปราศจากอสวกิเลเป็นเครื่องสศราหมองใจแต่ลองสังเกตนะฮะว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งเฉพาะวาจาแต่เราอย่าลืมนะฮะว่าวาจาเนี่ยถ้าเราทำให้สุจริตสมบูรณ์จริ ง, รงๆแล้วเนี่ย ก็เป็นทางแห่งความเกษมท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันมาจากใจที่บริสุทธิ์การวาจาที่เป็นทางแห่งความเกษมคือแสดงว่าใจมันบริสุทธิ์เราสมรวมที่การสุจริตได้สมบูรณ์มันก็เข้าไปถึงใจอนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่า เวลาที่บ า, ายขุศสมกบดบต้องลดเว้นจากการฆ่าสัตว์เองลดเว้นจากการชคนอื่นฆ่ากดเว้นจากการยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าลดเว้นจากการพอใจยินดีในผู้ฆ่าแล้วก็สิ่งที่ถูกฆ่าข้อแรกเป็นการกระทําทางกาย ข้อที่สองเป็นการกระทำการพูดทางวาจาข้อที่สามก็เป็นทางวาจาแต่เราทำเองอันนั้นใช้คนอื่นก็ทำแล้วข้อที่สี่เนี่ยแม้แต่ใจไม่ยินดีในการฆ่าเราเห็นว่าถ้ายินดีในการฆ่าเนี่ยหมายความว่าเรามีความเบียดเบียนมีความมาฆ่าปิยาบาต ยินดีในผู้ฆ่าเนี่ยแสดงว่าเรารู้สึกสะใจสะใจที่ได้เห็นคนสัตว์ถูกฆ่าไปแล้วเราก็ชื่นชมยินดีกับคนที่ฆ่าอันนี้ก็พูดยากนะฮะคือสังคมโลกบางครั้งบางคราวมันก็แปรเพี้ยนไปเยอะเหมือนกันมีการชื่นชมกับการกระทำที่รุนแรงก้าวร้าวทั้งหลาย เดี๋ยวกองสันเสริญคนเหล่านั้นเป็นวีรชนการกระทำของเขาเป็นวีรกรรมนั่บอกว่าเพื่อให้ถึงพระนิพพานเพื่อทำที่สุดแห่งทุกเพราะว่าจานั่นแหละเป็นสูงสุดกว่าวาจาทั้งหลายเราลองกลับไปดูที่พระพุทธธํรมรัตที่รับสั่งว่าสัตบุรุษทั้งหลายได้กล่าววาจาสุภาษิตว่าเป็นที่หนึ่ง บุคคลพึงกล่าววาจาที่เป็นธรรมไม่พึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรมเป็นที่สองบุคคลพึงกล่าววาจาอันเป็นที่รักไม่พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักเป็นที่สามบุคคลพึงกล่าววาจาจริงไม่พึงกล่าววาจาเท็จเป็นที่สี่ก็หมดอะมาความทําได้อย่าง lain, นั้นก็สมบูรณ์ละ ผล ป, ปริยายของวจีสุจริตไม่ว่าจะแสดงโดยอะไรก็ตามก็อยู่ในนี้แหละอยู่ในกุศลกรรมบทวจีสุจริตสีประการนี่แหละเพียงแต่ว่าอย่าลืมามันละเม็ดละไม่บางครั้งมันคราวมันมีแฝงกันแหนกันแหนมันมีแขวงเย่ะเย้ยถักถานมันมีแฝงโอ้อวดมันมีแขกแฝงการดูหมินมันมีแฝงการยกตนข่มท่านในแต่เงต่างๆถ้าวาจามันสุจริต จ, จ, จริงมันไม่แฝง มันไม่เจือที่จิเลสแต่ว่าเป็นวาจาชี่เป็นธรรมทแท้ๆทีนี้ก็อย่างที่บอกไว้นะว่าพระทัาจารย์ท่านอาธิบายขยายความในเรื่องเหล่านี้ไว้ออกไปค่อนข้างวิจิตพิสดารถ้าบอกว่าวาจาที่สนทนากัน วาจาที่มาในพระบาลีมีว่าวาจาที่ใช้พูดกันวาจาที่เปล่งคําเป็นครองดังนี้ก็ดีแต่ว่าวาจาหาโทษไม่ได้สบายหูดังนี้ก็ดีชื่อว่าวาจาแต่วิน ญ, ญัตวิวาจาอย่างนี้ภาคการมันบุคคลทําด้วยวาจาดังนี้วิรัตคือการงดเว้นการกล่าวพุทธิจิตทางวาจา เจตนาที่กล่าววาจากันนี้พิสูทั้งหลายวาจานบุคคลส่องเสพแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่มอมเป็นทางแห่งนรกดังนี้ก่อนก็ดีหรือว่าวิญญัติวาจาเป็นต้นวิญญัติคือเจตนางดเว้นนะไม่ประสงค์เอาในบทว่าวาจานี้เพราะเหตุใด เพราะไม่ใช่วาจาที่เขาพึงใช้พูดกันคือวิรัตวาจานั้นมันเป็นเรื่องตั้งใจงดเว้นสำรวมระวังแต่คนทั่วไปก็พูดไม่ค่อยระมัดระวังอะไรกันเท่าไหร่แล้วเขพูดกันไปธรรมดาธรรมดาไม่ตั้งจิตเจตนาที่จะงดเว้นเพราศีลจึงมันมีการสมาทานมันมีการงดเว้นมันมีการสำรวมระวังมันมีการไม่ล่วงละเมิด จฉนอการทางกายทางวา จ, จาของตัวเองเป็นปกติเราจรึงเรียกว่ามีศีลไม่งั้นคนทุกคนก็มีศีลหมดเลยกีตาเอาว่ า, าคนที่พูดแล้วก็เป็นผู้มีศีลแก่มีธรรมะนะ่าอาจจะได้นะแต่มีศีลนี่ต้องงดเวน้นต้องตั้งใจติดใจงดเวน้นก็ต่อไปที่บอกว่า พระผู้มีพระเจ้าจึงแสดงความที่วาจาทุกภาษิตนั้นไม่นำประโยชน์มาให้ได้แก่เว้นจากโทษมีราคะเป็นต้นหมายความมาพูดขคาะพูดเกี่ยวพูดกันแหนกันแหนะพูดกระทบกระเทียบประเดว่าเจอดกิเลสอ่างไรวาจาเหล่านี้พูดพูดแล้วก็เจือดกิเลสในการสำรวมระหว่ังของศีล คือเราเห็นได้ชัดนะยกตัวอย่างว่าสิ่งเขาอาธินาการถือว่าสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ให้โดยการแหงขโมยนะสมมุติว่าพระพระมีเจตนาที่จะขโมยของเขาพอเห็นของเขาเนี่ม อ, มองด้วยตาที่เพ่งเล็งโลภอยากได้ปราบประบัติทุกกฎไ้จับต้องไปอย่างเป็นทุกกอยู่จะต้องเฉยๆนะ ด้วยเจตนาคือมีความโลภอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นแล้วพอของมันขยื่อนนิดเดียวเองปรับประบาดทนใจเลยแล้วพอเคลื่อนจากที่วางไม่ใช่เคลื่อนมาจากจากบ้านเขานะฮะคือเคลื่อนจากที่วางเดิมเช่นสมมติว่าโคเนี่ยมันขยับเท้าวบว ท, ทั้งสี่เท้าก็ถือว่าขาดต่กขาด หมายความอาการสํารวมระวังจะต้องละเมีดละหม่ลึกซึ้งถ้าไม้โอกาสมันจะสี่งเยอะมากแต่การที่น่าศึกษาน่าทำความเข้าใจก็คือปัญหานเรื่องวาจานี่เป็นปัญหาที่เน้นไปมากเป็นพิเศษเอวัยวะของเราจากคอขึ้นไป เรามีตาคู่นะจมูกคู่มีหูคู่มีปากปากเดียวแต่ปากกลับมีปัญหามากที่สุดทั้งในด้านนำอาหารเข้าไปเลี้ยงร่างกายทางในด้านการเปล่งเสียงติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นวาจาจะมีปัญหามากที่สุด ท่านเล่าถึงภิกษุกกลุ่มหนึ่งนะฮะท่านได้เดินทางไปเพื่อจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็พอดีได้ยินเพลงขับของเด็กหญิงผู้หักดอกประทุมในสะประทุมนะในสะดอกบัวที่จริงเป็นเพลงนะฮะ แต่เราอย่าลืมว่าธรรมะที่ประกอบไปเพลงครับที่จริงพระฟังได้เพราะว่าบทสวดทั้งหลายที่จริงมันก็คือเพลงโปที่เป็นฉันทลักษ์ทั้งหลายก็คือเพลงเท่านั้นเลยผู้หญิงคนนั้นได้กล่าวว่าดอกปทุมชื่อโกกณทะโกกนันทะบานแต่เช้าตรู่ ย่อมเหี่ยวไปด้วยแสงอาทิตย์สันดาห์ซาตังหลายพูดถึงความเป็นมนุษย์ย่อมเหี่ยวแห้งไปด้วยกำลังร้าแห่งชราสันนั้นมโนนุสติเห็นไหมเป็นมโนนุสติแต่ก็สอนจากสิ่งที่เป็นมีอุปกรณ์การสอนคือดอกบัวดอกบัวบานในตอนเช้าแล้วก็ถูกแสงพระอาทิตย์ แล้วก็เหี่ยวแห้งไปโดยลาดับถึงจุดหนึ่งก็ร่วงโรยชีวิตของพวกเรามันก็เหมือนอย่างนั้นเราก็เดินเลือล่อนไหลเข้าสู่ความแก่ความตายไปตามลาดับแต่เราจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้แล้วก็ในสมัยหนึ่งนะฮะว่างว่างพระพุทธเจ้าก็มีผู้ชายคนหนึ่ง ควางเพลงขับของสตรีซึ่งกำลังเอาศากตาข้าวเนะี่ยแล้วเธอก็ร้องเพลงสริราณี้อาศัยหนังมีผิวเหี่ยวแห้งถูกชราย่ำดีแล้วสริราณี้ถึงความเป็นอามิตรคือเยื่อของมริตยูจนแตกไปเพราะมรณะ สรีระนี้เป็นที่อยู่ของหมู่นอนเต็มไปด้วยซากศพต่างๆสรีระนี้เป็นพระชนะของไม่สะสรีระนี้เสมอเดยทอนกล้วยนี่เป็นการกล่าวของผู้หญิงแต่ว่าเขาคิดมันคาถาในลักษณะนี้มีในเทรีคาถา ซึ่งโอกาสดีๆก็จะนำมาเล่าให้ฟังต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี